ตอนที่สาสบสี่ตัวการทําลายล้างตระกูลจากจุดที่สูงกว่าเมื่อมองตามทิศทางของเสียงหลินเซินก็เห็นสายลับคนหนึ่งแบกเยียวยาวที่กําลังดิ้นรนขัดขืนวิ่งหนีไปทางประตูเมืองเจียนเจียและไปลูกสาวใช้ทั้งสองถูกทิ้งไว้ในตรอกและกําลังร้องขอความช่วยเหลือเสียงดังหลินเซินร่อนลงสู่พื้นโยนป้ายคําสั่งอันหนึ่งให้พวกนางอย่างรวดเร็วพร้อมกําชับว่าเอาป้ายนี้ไปที่ ค่ายทหารองคารักษ์บอกให้พวกเขารียมาช่วยเดี๋ยวนี้ซิ้นคำร่างของเขาก็หายวับไปบนหลังคาอีกครั้งพวกสายลับสังเกตเห็นหลินเซินที่ไล่ตามมาอย่างรวดเร็วลูกน้องสองคนจงใจชะลอความเร็วลงเพื่อถ่วงเวลาหลินเซินไว้ยามอาทิตย์อัสดงหัวหน้าสายลับแบกเยื่อเย่พุ่งตรงไปยังประตูเมืองความเร็วของเขานั้นรวดเร็วเกินไปจนเหล่าทหารยามตั้งตัวไม่ติดเพียงพริบตาเดียวทหารจํานวนมากก็ถูกซัดจนล้มระเนระนาด หัวหน้าสายลับใช้เยี่ยยาเป็นข้อต่อรองทหารยามคนอื่นๆต่างจำเย่่ยยได้จึงไม่กล้าขยับพี้ยนสุ่ม 4, สี่ซุ่มห้าทำได้เพียงยอมปล่อยให้ผ่านไปเมื่อสลัดหลุดมาได้สำเร็จหัวหน้าสายลับก็แค่นยิ้มยินชาดูท่าว่าการจับเ ย, ยเด็กนี่มาจะถูกตัวจริงๆเยี่ยยถูกแบกอยู่บนบ่าในใจยิ่งหวาดผวามากขึ้นหรือว่าทุกอย่างในชาติก่อนกำลังจะซ้ำรอยเดิมจริงๆ ลินเซินถูกชายสองคนนั้นถ่วงเวลาไว้หาเป็นยามปกติการจัดการพวกเขานับว่าเป็นเรื่องง่ายดายสำหรับเขาทว่าคนทั้งสองเพียงต้องการถ่วงเวลาเขาไว้พวกเขาเหมือนปลาที่ลื่นไหลาการจะจัดการให้จบสิ้นเดิเร็วเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยเมื่อเห็นเยเ ย, ยาถูกพาตัวไปจนรับสายตาเขาจึงบันดาลโทสะและสู้แบบไม่คิดชีวิตพุ่งเข้าหาปลายกระบี่ของมือสังหารโดยตรงการต่อสู้แบบบ้าบิ่นนี้ทําให้มือสังหารชะงักไปครู่หนึ่งและจังหวะที่ชะงักนั้นเองที่ถูกคลูยกเขา ของหลินเซินฟาดเข้าที่จุดตายจนล้มลงสิ้นใจบนพื้นอีกคนเห็นถ้าไม่ดีจึงกลับตัวหนีไปอีกทางหลินเซินไม่หลงกลเขาพุ่งตรงไปยังทิศทางของประตูเมืองทันทีครั้งนี้ไม่ว่าอย่างไรเขาจะไม่ผิดคําสัญญาอีกเขาต้องช่วยเย่เยากลับมาให้ได้ก่อนที่ดวงอาทิตย์จะรับขอบฟ้าเมฆดําก้อนใหญ่ก็เคลื่อนเข้ามาปกคลุมเสียงฟ้าร้องดังระงมและสายฝนก็เทกระหน่าลงมาอย่างหนักในช่วงต้นฤดูใบไม้ผลิดเดือนสามความหนาวเหน็บจู่โจมเข้าสู่ร่างกายทันที ยี่เยาถูกมัดมือมัดเท้าโยนลงบนกองฟางในวัดร้างนางเปียกฝนจนตัวสั่นเท่าใบหน้าเล็กๆล็ขาวซีไรสีเลือดนางจำวัดร้างแห่งนี้ได้ในชาติก่อนนางก็ถูกลักพาตัวมาที่วัดร้างแห่งนี้เหมือนกับตอนนี้ไม่มีผิดเพีย้ยนเทียงแต่ในชาติก่อนฝนไม่ได้ตกและนางก็ไม่ได้ถูกลักพาตัวในวันนี้แต่หากในระหว่างที่นางถูกจับตัวไปสิ้น อ, อ๋อ ยังคงยืนกรานที่จะนำทัพออกสึกจนถูกลอบสังหารสิ้นชีพทุกอย่างก็มีโอกาสสูงมากที่จะซ้ำรอยเดิมไม่ได้นางต้องใจเย็นนางจะยอมให้โศกนาฏกรรมในชาติก่อนเกิดขึ้นอีกไม่ได้ทว่าความกลัวจากการล่วงรู้อนาคตทําให้สมองของนางในยามนี้สับสนวุ่นวายไปหมดจนไม่สามารถรวบรวมสมาธิเพื่อขบคิดหาทางออกได้เหล่ามือสังหารและหัวหน้าของพวกมันชินชากับลมฝนมานานแล้วแม้จะเปียกโชกไปทั้งตัวก็ไม่ส่งผลกระทบใดๆ หัหน้าสั่งให้ลูกน้องสองสามคนไปเฝ้าที่หน้าประตูก่อนจะเดินเข้ามาเค้นถามด้วยรอยยิ้มเยินชาเจ้าเด็กเหลือขอเมื่อสิบปีก่อนเจ้าหนีรอดไปได้สิบปีต่อมายังมาหลอกตาข้าอีกคิดจริงๆหรือว่าเจ้าเป็นแค่เด็กน้อยธรรมดานึกไม่ถึงเลยว่าพวกเราจะเป็นเพื่อนเก่ากันเมื่อได้ยินเช่นนั้นเย่ยวาขมวดคิ้วเล็กน้อยความคิดเริ่มสงบลงและสมองเริ่มทํางานอย่างรวดเร็วฟังจากคําพูดนี้หรือว่าสายและคนนี้จะจํานางสลับกับใครอีกแล้ว ในวันที่ไปล่องเรือพวกเขาเข้าใจผิดว่าเซียชิงจือคือว่าที่ประชายาซื้อจือซึ่งก็คือเย่เยาส่วนเย่เยาปลอมตัวเป็นสาวใช้ของเซียชิงจือตามหลักและในสายตาของสายรับนางควรจะเป็นคนของจวนก๋วกงเหตุใดตอนนี้ถึงทาเหมือนว่านางเป็นคนอื่นไปได้เมื่อยังดาวเจตนาของสายรับไม่ได้เย่เยาจึงคําเพียงหลบสายตาและตอบกลับอย่างระมัดระวังข้าไม่รู้ว่าท่านกําลังพูดเรื่องอะไร หัวหน้าสายรับเริ่มโมโหกัดฟันกรอดยังจะแ้งทาอีกยี่เด็กสารเลวจะไม่ได้หรือว่าเมื่อสิบปีก่อนใครเป็นคนฆ่าล้างตระกูลเจ้าตอนนั้นต้องขอบใจเจ้าจริงๆที่ช่วยขโมยดอกไม้ประดับมุกและจดหมายรับออกมาให้ข้าไม่อย่างนั้นวันนี้เราคงไม่มีโอกาสได้พบกันหรอกยี่ยาวชงักไปใบหน้าเปลี่ยนสีอย่างรุนแรง เท่าที่นางรู้เมื่อสิบปีก่อนตระกูลที่ถูกฆ่าล้างครัวเพราะเรื่องจดหมายรับของตันตีมีเพียงตระกูลของเสนาบาดีกรมกลาโหมเท่านั้นและเซียชิงจือก็คือบุตรสาวของเสนาบาดีกรมกลาโหมเช่นนั้นชายผู้นี้ก็คือตัวการที่ฆ่าล้างตระกูลเสียเมื่อสิบปีก่อนและเขากาลังเข้าใจผิดว่าเยเยาคือเสียชิงจือ จากคำพูดของชายคนนี้เมื่อสิบปีก่อนเป็นเสี้ยชิงจือที่ขโมยดอกไม้ประดับมุกและจดหมายรับออกมาจนเป็นเหตุให้ครอบครัวของนางเองถูกฆ่าล้างประกูลอย่างนั้นหรือเหตุการณ์ในครั้งนั้นด่งดังมากวันที่เกิดเหตุตรงกับเทศกาลชมคมไฟและยังเป็นวันเกิดครบหกขวบของเยี่ยเยาพอดีคืนนั้นจวนกัวกงจัดงานเลี้ยงใหญ่โตโดเดิมทีหูยินเสนาบดีควรจะเป็นแขกผู้มีเกียรติแต่กลับไม่เห็นวิแวว จนกระทั่งงานเลี้ยงใกล้เลิกราถึงได้มีคนส่งของขวัญมาให้เยี่ยยาวเปิดกล่องผ้าไหมใบนั้นออกดูแต่กลับพบว่าข้างในว่างเปล่าตามที่ชายคนนี้พูดในกล่องใบนั้นควรจะเป็นดอกไม้ประดับมุกและจดหมายลับเสียชิงจือไม่รู้ว่าทําไมถึงขโมยดอกไม้ประดับมุกไปและยังเอาจดหมายลับติดไปด้วยจนทาให้สายแับคนนี้ทางานสาเร็จและนั่นยังเป็นสาเหตุสาคัญที่นาไปสู่การฆ่าล้างจวนเสนาบดี ตอนนั้นเสียชิงจือควรจะมีอายุเล่ยเลี่ยกับเยีย่ยาวคือประมาณหหรือหกขวบทั้งตระกูลเหลือรอดเพียงนางคนเดียวหรือว่าในเรื่องนี้จะมีความลับบางอย่างที่คนอื่นไม่รู้ซ่อนอยู่ในตอนนั้นเ ย, ย่ยาวยังรู้สึกว่านางช่างน่าสงสารที่ต้องสูญเสียครอบครัวและเคยเห็นใจนางด้วยซ้ําแต่พอมาคิดดูในตอนนี้กลับรู้สึกหนาวเยือกขึ้นมาทันทีเสียชิงจือผู้นี้ไม่ได้อ่อนแอและไรเดียงสาเหมือนที่แสดงออกเลยแม้แต่น้อย หากข้อสันนิษฐานเหล่านี้เป็นจริงก็มั่นใจได้แน่นอนว่าสายลับคนนี้คือฆาตกรที่ฆ่าล้างตระกูลเสนาบดีกรมกลาโหมเมื่อสิปีก่อนแต่เขาจำเย่เยาสลับกับเสี้ยชิงจือได้อย่างไรเย่เยาวเริ่มอย่างเชิงท่านท่านจำข้าได้อย่างไรยอมรับเสียทีนะเจ้าคิดว่าหลบอยู่ในจวน อ, องแล้วจะนอนตาหลับงั้นหรือน่าเสียดายที่สวรรค์เข้าข้างข้าข้าจำจี้หยกของเจ้าได้ เย่เยาเข้าใจในทันทีจี้หยกที่เสียชิงจือทําหายามนี้ยังอยู่ในถุงหอมที่เอลของนางสายลับประชากถุงหอมของนางออกจี้หยกหล่นออกมาเป็นอย่างแรกยิ่งทําให้เขามั่นใจว่าเย่เยาคือเสียชิงจือเสียชิงจือคนนี้เป็นดาวข่มของนางหรืออย่างไรทุกครั้งที่ต้องมาพัวพันด้วยเย่เยาเป็นต้องสวยทุกทีชาติก่อนนางก็เป็นคนยืนยันว่าเย่เยาลอติดต่อกับสายลับจนทําให้ครอบครัวของเย่เยาต้องพินาศ อุตสาได้เกิดใหม่มาอีกชาติเพียงแค่เฉียดเข้าใกล้เสียชิงจือเพียงนิดไม่นางถูกลอบสังหารครอบครัวนางก็ต้องพล่อยรับเคราะหพระใหญ่นั้นไปด้วยยามนี้หากปฏิเสธไปสายลับก็คงไม่เชื่อและหากมันรู้ตัวตนที่แท้จริงของนางผลที่ตามมาอาจจะร้ายแรงยิ่งกว่ายี่ยากัดฟันตัดสินใจสวมรอยเป็นเสียชิงจือไปก่อนท่านต้องการอะไรกันแน่หัวหน้าสายลับแค่นยิ้มวางใจเถอะข้า ย, ยังไม่ฆ่าเจ้าตอนนี้หรอก แต่เจ้าควรจะทําตัวว่าง่ายๆรอให้พวกเราหนีพ้นเขตแดนจิ้งอันไปได้ข้าจะปล่อยเจ้าไปเองปล่อยนางไปเย่เยาเชื่อก็โง่แล้วคําพูดของสายลับคนนี้แสดงออกชัดเจนว่าเขายังติดใจเรื่องที่ข้าล้างครัวเซียชิงจือไม่สำเร็จเมื่อสิบปีก่อนในเมื่อตอนนี้จับตัวได้แล้วมีหรือจะจงใจเหลือรอดไว้หากไม่หาทางช่วยตัวเองต่อให้โศกนาฏกรรมในชาติก่อนไม่สํารอยเย่เยาก็คงต้องตายแทนเซียชิงจือฟรีฟรแน่นางไม่ยอมเด็ดขาด คมดาบเย็นเยียบจู่ๆก็ท้าบลงที่ลำคอเยะยาวสะดุ้งร่างกายเกรงเครียดท่านบอกว่าจะไม่ฆ่าข่าไม่ใช่หรือหัวหน้าสายรับยิ้มอย่างเจ้าเล่ข้ามีเรื่องจะถามเจ้าเจ้าควรจะตอบตามความจริงตอนที่เจ้าขโมยดอกไม้ประดับมุกมาเจ้าเห็นข้อความในจดหมายรับบนผ้าเช็ดหน้ามากน้อยเพียงใดก่อนที่พ่อแม่เจ้าจะตายและซ่อนจะไว้เพื่อให้รอดพ้นจากเคราะกรรมพวกเขาได้พูดอะไรกับเจ้าบ้างไหมหรือว่ามีของบางอย่างมอบให้เจ้าไว้หรือเปล่า